เรื่องนางจินจมามนาวิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนางจินจมามนาวิกาความพิสดานว่าพวกเดียร์ธีริษยาพระพุทธเจ้ามีลาบสการะมากเกิดขึ้นแล้วเดียร์ธีนักบวชนอกศาสนาดุจแสงหิงห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น คิดอุบายยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมนางจินจมนาณวิการับอาสาพวกเดียรถีนางทำทีดอกไม้ทุบเทียนถือในมือนุ่งห่มผ้ามีสีดุดมลงค่อมทองมุ่งหน้าตรงไปยังพระเชตวันสวนทางกับพุทธบริษัทก็กล่าวว่าจะไปวัดเชตวันและเข้าไปพักยังวัดเดียรถีซึ่งอยู่ใกล้ที่นั้นแต่เช้าตรู่ นางก็ทำเป็นเดินออกมาจากเชตวันเที่ยบบอกกล่าวชนทั่วไปว่าอยู่ในพระคันทักุดีเดียวกันกับพระสมณโคดมยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลายการล่วงไปสถึงสเดือนนางออกผ้าพันท้องแสดงถึงความมีคันเพราะอาศัยพระสมณโคดมการล่วงไป 8-9 ถึงเเดือนผูกไม้กลมไว้ที่ท้อง ผมผ้าทับข้างบนทุบหลังมือหลังเท้าให้บวมดุจคนมีคันขณะพระศัสดาประทับนั่งแสดงธรรมบนธรร ม, มาฏนางไปยืนตรงพระพักของพระศัสดาแล้วกล่าวว่ามหาสมณะดีแต่แสดงธรรมส่วนหม่อมชั้นคันใกล้ครบกำหนดคลอดแล้วพระองค์ยังไม่ทรงทราบที่คลอดทั้งเครื่องบริหารคันมีเนยใสและน้ำมันก็ไม่จัดเรียม ควรตรัสบอกพระราชาหรืออนาถาบินทิกะหรือนางวิสาขาคนใดคนหนึ่งให้ทากิจนี้พระองค์รู้แต่พิรมเท่านั้นไม่ทรงรู้การบริหารคัญเลยเป็นเหมือนพยายามปากอนคูดหรืออุจจาระใส่มนทนพระจันชร์ฉนั้นนางด่าพระตถาคตท่ากลางบริษัทแล้วพระตถาคตทรงงดแสดงธรรมแล้วทรงบรรลือสีหตรัสว่าน้องหญิง ความอันเจ้ากล่าวแล้วจะจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้นางจินจมานวิกาทูลตอบว่าอย่างนั้นมหาสมณะข้อนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านละหม่อมชั้นทราบแล้วขณะนั้นเทพบุตรได้ลงมาทำลายคนอุบายของนางอาสนะเท้าสักกะแสดงอาการร้อนจึงเสด็จลงมาพร้อมด้วยเทพบุตรสี่องค์ แปลงเป็นหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ที่ท้องของนางไม้พลัดตกลงบนหลังเท้าของนางปลายเท้าทั้งสองข้างแตกแล้วมนุษย์ทั้งหลายพากันสาบแช่งดาถมเคละคืนน้ำลายลงบนศีรษะถือก้อนดินและท่อนไม้ฉุดลากออกจากพระเชตวันครั้งนั้นนางจินจมานวิกาได้ถูกแผ่นดินสูบแล้วแผ่นดินใหญ่แตกแยกเป็นช่อง เปลวไฟตั้งขึ้นจากเอเวจีนางไปบังเกิดในเอเวจีนรกพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางได้ทำเฉพาะบัดนี้ก็หาไม่ถึงในการก่อนนางก็ด่าเราด้วยคำไม่จริงถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงทรงตรัสมหาปทุมชาดกในทวาทศนาาิบาทนี้ให้พิสดารว่า ผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่ทันพิจารณาเห็นเองไม่พึงลงอาชญาทรงตรัสเล่าว่าในการละครั้งหนึ่งนางจินจมามนวิกาเป็นผู้ร่วมสามีของพระมารดาของพระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงพระนามมหาปทุมกุมารเป็นอัครมเมสีของพระราชา เชิญชวนพระมหาสัตว์ร่วมอภิรมอสัตยธรรมทำอุบายว่าเป็นไข้หลวงว่าถูกพระมหาสัตว์ร่วมสัตยธรรมคือร่วมเพศพระราชาทรงกริวนำพระมหาสัตว์ไปในเหวที่ทิ้งโจรเทวดาที่สิงสถิต ท, ที่หุบเขารับพระมหาสัตว์นั้นแล้วให้ประดิษฐ์อยู่ในห้องพังพานของพญานาคนำไปสู่นากระพบกรองราชสมบัติกึ่งหนึ่งอยู่ในนากระพปีหนึ่ง จึงมาสู่หิมวันตประเทศบวชแล้วให้ฌานและอภิญญาห้าบังเกิดแล้วพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิอันอสวะคขยะยานซึ่งเป็นอภิญญาที่หกจะมีขึ้นได้ด้วยบารมีทั้งส0ทัศบทัชเต็มแล้วเท่านั้นต่อมาพระราชาทรงทราบเชิญพระมหาสัตว์ครองราชสมบัติแต่ได้ถวายคืนและให้อวาดให้สวยธรรมะสิบประการ ละอัคติสวยราชโดยธรรมพระราชารับสั่งให้จับพระอัครมเมหสีทิ้งลงไปในเหวทิ้งโจรสวยราชโดยธรรมมหาปทุมกุมานในการนั้นคือพระตถาคตในเวลานี้หญิงร่วมสามีของพระมารดาได้เป็นนางจินจมานวิกาทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละคำสัตย์ ซึ่งเป็นธรรมะอย่างเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาทผู้มีปรโลกอันสละแล้วไม่พึงธรมย่อมไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าบาปอันชนผู้ก้าวล่วงธรรมะอย่างเอกเสียผู้มักผู้เท็จผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงธทมย่อมไม่มีข้อนี้คือ คนที่พูดเทศนั้นจะไม่ทำบาปอย่างอื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ